สิขาบทวิพังเก้าที่ชื่อว่าพูตคามได้แก่พืชพันธุ์5ชนิดคือวงเล็บหนึ่งพืชพันธุ์เกิดจากเงาวงเล็บสองพืชพันธุ์เกิดจากลำต้นวงเล็บสพืชพันธุ์เกิดจากตาวงเล็บสี่พืชพันธุ์เกิดจากยอดวงเล็บห้าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเงาได้แก่ขมิ้นขิงว่านน้าว่านเปราะอุดพิษข่าแฝกแห้วหมู หรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่เงางอกที่เงานี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเงาที่ช um e ื <Hardy> ่อว <t> ่า <feliz> พ <t> ืชพ <answering> ันธุ์เกิดจากลำต้นได้แก่ต้นโพต้นไทรต้นดีปลีต้นมะเดื่อต้นเต่าร้างต้นมะขิดหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ลำต้นงอกที่ลำต้นนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากลำต้นที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตาได้แก่อ้อยไม้ไผ่ไม้อ้อ หรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ตางอกที่ตานี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตาที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอดได้แก่ผักบุ้งล้อมแมงลักเผาย่านางหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ยอดงอกที่ยอดนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอดที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดได้แก่ข้าวถั่วงาหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่เมล็ด งอกที่เมล็ดนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ด